บรรยายเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2546ก็อยากจะให้พระเดชพระคุณได้เมตตาให้คติธรรมเรื่องในโอกาสปีใหม่กับประชาชนนะัอันนีอนน้อันหนึ่งพระเดชพระคุณนะอันที่สองก็คือว่า เมื่อไม่นานมานี้กับผมได้ดูทีวีจากช่องหนึ่งผมก็จําไม่ได้ครับผม ม, มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเดิมทีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลี้ยงสุนัขนะฮะแต่ต่อมาเลี้ยงสุนัขแล้วมีสุนัขเป็นร้อยๆว่ากันนะฮะเขาพูดกับผู้ชมทางพิธีกรก็ถามว่าเพราะเหตุใดถึงเลื อ, อเลี้ยงมากขนาดนั้นนะฮะสตรีผู้นี้ก็ตอบว่าเลี้ยงสุนัขนี่ได้บุญร้อเเซนต์ว่ากันนะ ถ้าหากว่าไปเลี้ยงทาบุญเลี้ยงพระนี่อาจจะห้าสบห้ว่างั้นนะฮะในประเด็นนี้พระเดชพระคุณคิดว่าชาวพุทธควรจะควรจะทําความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าพูดออกไปอย่างนั้นนี่มันรู้สึกเสียหายมากกับก็ไม่เสียหายเลยลรอกก็แสดงเราจะได้รู้ว่าแกเข้าใจแค่ไหนคือเราจะได้รู้หนึ่งตัวคนนั้นสองรููกว้างออกไปว่าสังคมไทยเป็นอย่างงี้กันหรือเปล่า แล้วก็รู้ด้วยว่าความเข้าใจต่อเรื่องพุทธศาสนาหลักธรรมที่คนไทยเรามีแค่ไหนถ้าเราจะได้อามาเป็นฐานในการจะคิดแก้ปัญหาเนี่ยก็ดีเลยว่าแก้ว่าทำบุญให้หมาดีกว่าถวายพระใช่ไหม <c oughs> มาอยู่ที่ว่าอะไรไปเกณฑ์ตัดสินหนึ่งแก่เข้าใจความหมายคําำว่าบุญว่าอย่างไรและสองแก่ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินในความเป็นบุญนั้นเนี่ย มันก็โยมอยู่ด้วยกันแหละถ้าเข้าใจความหมายของบุญแกนึกว่าบุญเป็นอะไรเป็นก้อนๆเพราะไปทําอะไรแล้วก็มันได้บุญอันนั้นขึ้นมาถ้าเป็นชิ้นเป็นอันนี่ยแกไม่ได้นึกว่าไอ้บุญก็คือดุคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของคนใช่ไหมคุณสมบัติอันนี้มันก็มาเป็นตัวเราที่จะเรียกว่าปรุงแต่งก็ได้มันก็คือมาสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้เจริญงอกงามขึ้นไปมีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นบุญก็มีหลายด้านบุญด้านจิตใจด้านความมีเมตตาก็ณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผด่ดับุญด้านความมีจิตใจเข้มแข็งนะการมีสติสมาธิการมีความเพิ่มแข็งเพียรพ ย, ยายามความขยันอดทนแล้วก็บุญด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆโลกต่อชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือบุญที่เป็นคุณสม บ, บัติในะชีวิตที่ทําให้ชีวิตของเราจเจริญ ง, งอกงามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า ไอตัวบุญเนี่ยมันเป็นเด่นที่ปัญญาและปัญญาก็จะเป็นตัวพัฒนาบุญทําให้คุณสมบัติในตัวเราเป็นพื้นฐานของการที่จะเจริญก้าวหน้าไปจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เนีเป็นพระอรหันต์ได้นี่นี่มองในแง่าภายในนะคือว่าไอตัวเองเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรดีเกิดขึ้นในตัวเอง แล้วตัวเองนี่ได้พัฒนาใบเจริญงอ่งงามไปแค่ไหนแล้วไปเลี้ยงหมาแล้วตัวเองมันพัฒนาอย่างไงบ้างมีคุณสมบัติอะไรดีขึ้นมาบ้างก็คิดดูกันละกันมันได้อันหนึ่งคือได้ปีติปลับรื่มใจเพราะคนเรารักอะไรชอบอะไรทําให้แก่สิ่งนั้นได้ตามใจตนสนองความต้องการมันก็เกิดความสุขแล้วมันก็มาพร้อมได้ปีติความปลับรื่มใจก็ได้บุญในแงน่้นั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันต้องมีปัญญาด้วยแล้วเราได้มองเห็นไหมว่าเออที่เราทํานี่มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเรากครอบครัวกับสังคมอย่างไรการทําบุญเลี้ยงหมานี่ต่อไปแล้วมันมีผลดีเก่กบสังคมอย่างไรทําให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างไรบ้างไหมทีนี้ถ้าเราทําบุญกถวายพระพระท่านมีมกําลังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เกื้อกูลต่อชีวิตพระนั้นพระท่านจะมีชีวิตที่เจริญงองาม แล้วก็ท่านอาจจะไปสั่งสอนผู้คนธรรมะก็ขยายเอาไปสังคมรู้ทิศรู้ทางว่าจะทําอะไรจริงถูกต้องดีงามและประพฤติถูกต้องใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์สังคมนั้นก็จะเลก้าวหน้ามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือบุญที่มันมีผลออกไปนี่ก็คุณไปทําบุญเลี้ยงหมายอยู่แล้วก็มันจะเป็นยังไงนเนี้ยมันจะเกิดผลอะไรกับชีวิตต่อสังคมเลยบางอ่ะใช่ไหมอันนี้ที่เราถวายพระก็เพราะาพระเนี่ยท่านเป็นผู้ ดำรงธรรมรักษาธรรมเผยแผ่ธรรมทำให้ธรรมะนี้อยู่ในโลกต่อไปแล้วก็เผยแพร่ออกไปเป็นประโยชน์กับชีวิตสังคมมนุษย์ น, นั้นเราก็ไปเลี้ยงพระเพื่อให้ท่านมีกําลังที่ท่านจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจะเป็นการเล่าเรียนก็ตามเป็นการศึกษาปฏิบัติก็ตามแล้วก็เป็นการเผยแผ่ธรรมคาสอนก็ตามใช่ไหมแล้วประโยชน์มันก็ออกไปสู่ประโยชน์สุขของชาวโลกแล้วก็รวมแล้วก็คือว่าทําให้โลกนี้ดี นี่ก็คุณเลี้ยงหมาก็ใช่มันก็ทำให้โลกนี้ดีส่วนหนึ่งแต่มันดีในวงแคบมากเลอเกินเนี่ยก็อธิบายแค่นี้ไม่ทราบพอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กก็บอกว่าก็ดีได้บุญก็อนุโมทนาด้วยในแง่ว่าถ้าคุณรักหมาคุณก็ได้ความปรับรื่มใจแต่ว่ามันถ้าพูดแรงมันเสียนะ คือคนเราพอจิตมันไปผูกพันอะไรเนี่ยรักมากแล้วมันยึดติดต่อไปเนี่ยเอาหนึ่งในแง่ของจิตใจคุณจะเกิดไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับบุญคือบาปได้ง่ายพอใครมาทําอะไรต่อสุ น, นัขของคุณเนี่ยคุณจะโกรธและบาปก็เกิดขึ้นใช่ไหมเอาแล้วทีเนี้ยเรื่องบุญนวายก็เกิดขึ้นต่อไปจิตคุณเกิดยึดเรื่องหมาเข้าไปรักหมามาก ถ้าเอาในแง่เชื่อเรื่องตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดจิตยึดหมานี่ตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอีกได้ทําไงอ่ะใช่ไหมคือคนเรานี่จะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ภูมิจิตคุณสมบัติของจิตแล้วก็ความผูกพันถ้าจิตมันไปยึดติดอะไรมันก็ไปหาสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะระดับจิตหนึ่งแล้วก็สิ่งที่จิตเกาะเกี่ยวยึดน่วงหนึ่ง เหมือนอย่างที่เขาพูดถึงลูกปู่สมเฝ้าทรัพย์ น, น่ะแกะยึดติดผูกพันกับเรื่องทรัพย์นั่นก็เลยตายแล้วไม่ไปไหนเลยก็เลยไปเฝ้าทรัพย์อยู่นั่นแหละอาจจะไปเกิดเป็นตัวอะไรสักตัวนึงที่ไปอยู่ใกล้ๆกับไอ้ขุมทรัพย์นั้นก็เหมือนอย่างในเรื่องโบราณที่มีในคัมภีร์ที่ว่าเขาไปฝังทรัพย์ไว้นี่รู้คนเดียวรู้คนเดียวต่อมาจะตายก็ไม่ทันบอกใครใช่ไหม จิตมันก็ห่วงคุ้มทรัพย์นั้นก็เลยตายไปไปเกิดเป็นตัวอะไรจำไม่ได้แหละเฝ้าคุ้มทรัพย์อยู่ที่นั่นเองก็ไม่ดีเะันนก็ต้องระวังคือต้องมีปัญญาเยอะๆคนที่ทำบุญเนี่ยยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาบุญขึ้นไปเพราะบุญเนี่ยมันเป็นด้านจิตใจและในจิตใจตัวสำคัญองค์ประกอบหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาแยกออกไปเลย แยกไปเป็นตัวสำคัญมากก็คือปัญญาปัญญาอาศัยใจอยู่เป็นคุณสมบัติของจิตใจแต่เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นแดนหนึ่งเลยพุทธศาสนาก็แยกกับปัญญานี้ไปออกเป็นแดนเพราะฉะนั้นตอนแรกจะพูดรวมๆว่าบุญต่อไปพอเป็นบุญขั้นสูงจะเอาปัญญามาเป็นตัวใหญ่เลยปัญญาจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวนาของบุญแล้วปัญญาจะมาพัฒนาบุญให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ แล้วปัญญาจะเป็นตัวที่เอาบุญไปใช้ประโยชน์ได้คนที่มีแต่บุญไม่มีปัญญามีบุญมีคุณสมบัติดีๆแต่เอาไปใช้ไม่เป็นใช่ไหมอา่าไม่ต้องพูดถึงทรัพย์ภายในที่มีคุณสมบัติดีๆในใจแล้วทรัพย์ภายนอกอยูงใช้ไม่เป็นเลยทีนี้คุณสมบัติภายในที่ดีก็คือทรัพย์ภายในถ้าคนมีปัญญาก็รู้จักใช้รู้จักพัฒนาคุณสมบัติที่เป็นทรัพย์ภายในของตัวเองพัฒนาไปได้อีก นก็แม้แต่เอาไปร่างกายไปใช้จะทำประโยชน์หรือทำสิ่งที่เป็นโทษมันก็อยู่ที่ปัญญาเหมือนกันนะตกลงว่าต้องให้แกเข้าใจเรื่องบุญให้ครบเราจะแยกง่างๆว่าเป็นทานศีลภาวนาก็ได้เป็นระดับที่เรียกว่าขั้นพฤติกรรมทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในการอยู่กับสิ่งแวดล้อม แล้วก็เรื่องของบุญในด้านจิตใจของตัวเองคุณสมบัติภายในซึ่งมีทั้งด้านความสุขและก็ด้านของความเข้มแข็งมีสมรรถภาพแล้วก็ด้านของคุณธรรมความดีงามต่างๆและในที่สุดก็ปัญญาอย่างที่ว่าถ้าคุณคลุกอยู่กับสุนัขเนี่ยคุณจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะจิตใจจะบางทีกลายเป็นว่าแคบลงแคบลงวกบน แล้วก็จมแล้วก็เลยหมกตัวอยู่นะตัวก็หมกอยู่แล้วก็ใจก็หมกอยู่แล้วปัญญาก็พลอยหมกไปด้วยเพอะหมกมันก็เลยแคบมันก็จมใช่ไหมก็ลองคิดให้ดีถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อสุนัขที่มีมากๆนะพฤติกรรมชีวิตก็หมกอยู่กับเจ้าสุนัขเหล่านี้จิตใจก็หมกหมุนเวียนอยู่เนี่ยปัญญาก็ไม่คิดเรื่องอื่นก็อยู่แค่นี้ และแย่เลยนะเพราะฉะนั้นบุญอย่างนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะก็ได้มากแต่ได้ด้านเดียวแล้วมันดิ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นทําให้เกิดปฏิกิริยาพอบุญแบบนี้ที่ไม่มีปัญญาพอเนี่ยมันมีมากนะมันเกิดปฏิกิริยาบาปมากด้วยอย่าลืมว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ใช่ไหมทีนี้กุศลในที่นี้คือบุญเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นกุศลบุญนี่ก็เป็นปัจจัยแก่บาปนะก็หมายความว่าทาั้งท่าที่มีบุญเอาบุญนี่มาเป็นปัจจัยทําให้เกิดบาปขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นว่าเรามีโลภะเราชอบเรารักยึดติดอะไรขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นถูกกระทบเราเกิดปฏิกิริยาเกิดโทสะเพราะนั้นจากโลภะก็ทําให้โทสะเกิดขึ้นจากโทสะเพราะเกียรติในคนนี้ ใครไปเกลียดในคนนี้ด้วยกับเราเราก็เกิดโลภะชอบราคะชอบในคนนั้นใช่ไหมเนี่ยเะ น, นั้นท่านก็บอกว่าโลภะเกิดจากโทสะได้โทสะเกิดจากโลภะได้นะอันนี้เป็นเรื่องของระบบเหตุปัจจัยเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ต้องรู้เข้าใจเพราะนั้นก็บอกคุณคนนั้นบอกว่าก็ดีแล้วแหละแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าอย่าลืมพัฒนาปัญญาเด่นนะต้องเข้าใจอะไรต่างๆให้ถูกต้องนะ ให้บุญนี้มันมาเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาชีวิตของเราขึ้นไปอีกต่อไปแล้วบางทีไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยแกหมกตัวอยู่ใจแกติดอยู่แค่นั้นแล้วไม่รู้ตัวหรอกสุขมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นสุขธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็กลายเป็นว่าจากสุขที่มากก็ยิ่งทุกข์มากนะเมื่อไม่มีปัญญามาแก้ไข ถ้าคนมีปัญญาแก้ไขสุขมากพอสุขหมดก็ทำจิตหลุดพ้นไปได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยฉะนั้บอกถึงไงคุณต้องหาปัญญาแน่แน่เนี่ยเมื่อไงคุณสุขมากตอนนี้คุณจะทุกข์มากต่อไปอ้าแต่ที่จริงก็พูดก็ดีนะคนไทยเราเนี่ยมันจะเพลินและเกิดกัรเรื่องเ่าเนี่ย เ, <อ>เพลินแล้วก็ไม่คิดที่จะทำที่จะปฏิบัติไม่พัฒนาตัวเองเนี่ย คือเป็นวัฒนธรรมนอกจากคนไทยเราเนี่ยนะวัฒนธรรมทางจิตใจดีแต่ว่าขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาวัฒนธรรมรแห่งปัญญาแล้วก็ย่อนในเรื่องวัฒนธรรมแห่งการทำวัฒนธรรมแห่งการกระทําเนี่ยไม่ค่อยมีซึ่งคู่กันนะวัฒนธรรมแห่งปัญญากับวัฒนธรรมแห่งการกระทําชอบเป็นฝ่ายรับฝ่ายเสพฝ่ายบริโภคเนี ถ้าต้องลงมือทําไม่เคยเอาทีนี้เด็กสมัยนี้ก็ถ้าติดเพลินกับเรื่องเสพบริโภคเนี่ยแกก็จะไม่มีนิสัยในการทำในนิสัยในการทํามันก็ออกหลายทางเช่นการผลิตถ้าออกทางเศรษฐกิจก็ไม่มีนิสัยในการผลิตเป็นนักเสพบริโภคอย่างเดียวถ้าออกในทางอื่นก็คือไม่ทําการสร้างสรรค์อะไรทั้งนั้นเนี่อมันคิดแต่เสพบริโภคหาความสุขไปอ ย, อย่างเงี้ยชีวิตแล้วก็สังคมจะเจริญงอกงามได้อย่างไร แ น, น่นวัฒนธรรมแห่งการกระทำนี้ต้องพัฒนามันก็เข้ากับที่พูดเรื่องความคิดเมื่อกี้แหละไฟรรไฝ ท, ทำไฟรู้ทมในที่นี้ทอสละอัมธรรมไฟทำไฟทอสลรมธรรมได้ดีแล้วต่อไปก็มันก็มาสู่ไฟทำทอหันมอใช่ไหมเพราะว่ามันโยงกันอยู่ ไฟทำจะทําให้สําเร็จมันต้องอาศัยธรรมถ้าไม่อาศัยธรรมมันก็ทําให้สําเร็จตั้งแต่ธรรมะข้อปัญญาเป็นต้นไปปัญญาก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งแล้วก็ธรรมะข้ออื่นเช่นสมาธิสติความเพียรความขยันอดทนเป็นต้นรวมแล้วก็คือธรรมเพราะเราไฟธรรมที่จะทําให้สําเร็จตัวทอสระอําแล้วก็นําไปสู่ความไฟธรรมทรอหันมอธรรมทีนี้ธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุปัจจัยมากมายพราอมาเป็นคุณสมบัติในตัวเราได้ เราก็ทาที่ทำนั่นแหละเอาทรมาทาเอาทมที่เป็นทรหันหมอมาทาด้วยทอสละอัมทำเพราะทำตามทรมันก็เกิดผลสำเร็จที่เราต้องการขึ้นมานก็ชีวิตสังคมก็พัฒนาไปได้ฉะนั้นในปีใหม่นี้คนไทยเราเนี่ยจะต้องคิดกันให้มากว่าสังคมของเราเวลานี้เป็นสังคมที่เพลิดเพลินลุ่มหลงจะเรียกได้ว่าชักจมัวเมากับเรื่องของการเสพ บ, บริโภค แล้วก็เลยไม่ค่อยมีความคิดในการที่จะทำในการที่จะผลิตในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆไม่อยากใช้เรี่ยวแรงแม้กระทั่งเห็นการกระทำเป็นความทุกข์โดยเฉพาะเด็กสมัยปัจจุบันถ้าไม่ได้รับการศึกษาอบรมให้ดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะสุขเมื่อได้เสพแล้วจะต้องทุกข์มาทำนะเมื่อไรจะต้องทำทุกทันทีเลย แต่ถ้าเด็กที่เขาได้รับการฝึกอบรมดีมีความใฝ่รู้ใฝ่ทำเนี่ยการกระทํานั้นจะเป็นตัวนํามาซึ่งความสุขเพราะเขาอยากทําเมื่ออยากทําก็คือต้องการทําเมื่อต้องการทําได้ทําก็คือได้สนองความต้องการของตนเมื่อได้สนองความต้องการก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขจากการทำเนี่ยเป็นคนที่เราต้องการในสังคมนี้ปัจจุบันเรากําลังมีปัญหามากกับคนหาความสุขจากการเสพ บ, บริโภคถ้าหาสุขจากเสพ ตัวเองก็ไม่พัฒนาแล้วก็จะต้องแย่งชิงกันสังคมก็จะยิ่งเกิดปัญหาเดือดร้อนมีการเบียดเบียนกันมากก็จะเสื่อมโทมแต่ถ้าหาก็คนมีความสุขจากการกระทำและชีวิตของคนนั้นก็เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าไปพัฒนาทุกด้านทางพฤติกรรมจิตใ จ, จและปัญญาแล้วก็จะทำให้สังคมเจริญพัฒนาก้าวหน้าไปด้วย การผลิตการอะไรต่างๆการสร้างสรรค์กับประดิษฐ์คิดค้นมันก็จะเดินหน้าไปฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมเนการทำแล้วสังคมไทยของเราเวลานี้ก็เป็นสังคมที่เน้นเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจมากตั้งเป้าว่าจะให้ประเทศนี้ได้พัฒนาเศรษฐกิจได้ตัวเลขต้องไปกี่จุดไม่รู้นะหรือรู้จัอะไรหกลมั้งนะประมาณนั้นแหละ ก็ดีอยู่ถ้าพัฒนาจเจริญเศรษฐกิจแต่ว่าต้องมองกันเยอะเหมือนกันแหละหนึ่งก็เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเนี่ย น, นี้พูดบ่อยปัจจัยก็คือว่าเศรษฐกิจไม่จบในตัวของมันเองเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราพัฒนาด้านอื่นไปได้เราอาศัยอาหารเราไม่ใช่เพื่อจะมาหาความสุขจมอยู่กับอาหารเมื่อไรเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ไปทําการทํางานทําการสร้างสรรค์ เพราะนั้นมองในภาพรวมทั้งประเทศทั้งโลกเหมือนกันเศรษฐกิจมันเป็นสิ่งจำเป็นเป็นปัจจัยแต่เป็นสิ่งเกื้อนหนุนเราจะต้องเอามันมาใช้เรามีจุดหมายที่สูงขึ้นไปไม่ใช่จบแค่วัตถุไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีมีสิ่งเสพบริโภคกินใช้บริบูรณ์แล้วก็จบพออยู่แค่นั้นเศรษฐกิจจบในตัวก็ลุ่มหลงบัวเมาเพลิดเพลินแล้วก็เสื่อมเพราะนั้นก็ต้องเอาเศรษฐกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนี้มาเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนในการที่จะพัฒนาทางด้าน ปัญญาทางด้านจิตใจสร้างวัฒนธรรธมสร้างภูมิธรรมภูมิปัญญาให้เจริญงองงามยิ่งขึ้นไปทั้งคิดกันให้มากเรื่องนี้แต่ว่าก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเข้ากับพรพระเหมือนกันพรพระนี่เราได้ยินบ่อยๆก็จตุรพิทพพรจตุรพิทพพรมีสประการมีอายุวันนะสุขภะละแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว้อีกชุดหนึ่งเราอาจจะลืม ชุดนี้พระพุทธเจ้าเน้นด้วยนะคือปัญจพิทผรหรือเบญจะพิทผรเบญจะพิทผรนี่มีอะไรบ้างมีอายุวันนะสุขโภคภล ะ, ะนะข้อที่4ี่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโภคแล้วภละย้ายไปเป็นข้อที่5โภคคืออะไรก็คือทรัพย์สมบัติใช่ไหมลูก่นเนี่ยเข้ากับนโยบายของรัฐปัจจุบันก็ว่าได้คือมาเน้นเรื่องโภคะละ ดังนั้นตอนนี้ถ้าจะต้องย่อนลดเรื่องการให้จตุรพิทพพรไม่เน้นเรื่องการให้เบญจพิทพพรและวถ้าบอกว่าโยมปีนี้ก็ขอให้เจริญงอองงามด้วยเบญจพิทพพรชันะว่าเงนนินก็มีอายุวันณะสุ ข, โขะโภคะภละนี่โภคะนี่ก็ความร่ารวยนั่นเองพูดอย่างง่ายๆมีโภคะมีทรัพย์สม บ, บัติกินใช้มากไอโภคะเองมันก็แปลว่าการบริโภคนั่นแหละก็คือมีสิ่งบริโภคมากแต่ว่าอย่าลืมนะ เอาสิ่งบริโภคเป็นปัจจัยเหมือนเรากินอาหารเนี่ยบริโภคเข้าไปไม่ใช่มันหลงโมัวเมาอร่อยก็อยู่แค่นั้นแต่ว่าต้องบริโภคเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเอาร่างกายนี่ไปใช้ทําการสร้างสรงสรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ต่อไปก็เอาเศรษฐกิจโภคะเนี่ยมาเป็นปัจจัยต่อไปเป็นตัวเกื้อนหนุนประเทศชาติในพัฒนาในทางภูมิธรรมภูมิปัญญาให้ได้เพราะประเทศเราขนาด น, นี้ไอ้ที่มันจเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูแล้วด้านอื่นเนี่ย สำคัญกว่านะอย่างประเทศอเมริกาที่เขาจเจริญเนี่ยทางปัญญานะนะความเข้มแข็งทางปัญญาสําคัญมากเราต้องก้าวไปให้ได้จะมาอยู่แค่โภคะไปไม่รอดหรอกอันนี้โภคานี่เราก็ต้องคิดหลายอย่างเช่ว่าโภคะก็คือรวยก็มีว่ารัฐบาลก็อยากให้เรารวยง่ายและรวยไวนะรวยง่ายรวยไวมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรวยง่ายรวยไวด้วยพร้อมกับจิตใจก็ต้องเข้มแข็ง ทีนี้ถ้ารวยง่ายรวยไวไม่ดีเนี่ยนะต้องระวังจิตใจมันอ่อนแอมันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่พัฒนาไม่ฝึกนิสัยให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ต้องหาทางที่จะทําให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งก็ต้องส ร, ร้างนิสัยในการกระทําวัฒนธ ร, รรมแห่งการวัฒนธรรมแห่งการทําและวัฒนธ ร, รรมแห่งปัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยให้คนนี่มีความขยันหมั่นเพียรสร้างผลสําเร็จได้เรียบแรงความเพียรพยายามและการกระทําของตนให้ได้เนะียอย่าไปคิดว่าได้ราบร้อย รวยทางรัฐได้อะไรมาง่ายๆอย่าไปเอาแค่นั้นถ้าเอาแค่นั้นรวยง่ายรวยไวนี่ก็จะไม่ช่วยให้ประเทศพัฒนาจริงในระยะยาวนั้นถ้าจะต้องการให้ประเทศพัฒนาจริงระยะยาวจะต้องเอารวยง่ายรวยไวมาเป็นแค่อุบายชั่วประเดี๋ยวแล้วจะต้องคิดวางฐานให้ดีในการพัฒนาระยะยาวในการที่จะสร้างคนให้เข้มแข็งพัฒนาเนื้อแท้ของตัวคนให้ได้ก็คือ คุณสมบัติภายในของเข า, เขาที่ทางพระเลียงกับบุญทั้งทางด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านจิตใจและด้านปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปหาเรื่องที่พูดไปแล้วก็คือพัฒนาธรรมอ้าวพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาให้ได้แล้วก็เอาปัญญานี้มาใช้ในการกระทําก็มาหนุนวัฒนธรรมแห่งการทําแล้วพอปัญญากับการทำนี่มันมาบรรจบกันได้เมื่อไหร่นะ แล้วเราจ ะ, จะเจริญแน่นอนเพราะว่าปัญญามันจะบอกให้ทำอะไร <c oughs> มันรู้ว่าจะทำอะไรแล้วทำอะไรก็ทําไปได้ปัญญาทำด้ปัญญาแล้วก็มาสนองจิตใจจิตใจต้องมีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นฝ่ายดีปรารถนาดีต่อพืชรลุมชาติต่อประชาชนต่อโลกมนุษย์นี้แล้วเราก็เอาปัญญา มานำทางแก่การกระทําทําการให้สําเร็จด้วยปัญญานําไปสู่การสนองวัตถุประสงค์ที่มีเจตนาดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันและอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จก็พรอปีใหม่ก็คิดว่าก็อยู่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งให้มองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์อย่าไปมองขาดตอนเป็นเรื่องเดียวๆแยกส่วนหรือสุดโต่งพอเราแยกส่วนมันก็มี แนวโน้มว่าจะไปสุดตรงเพราะฉะนั้นก็ไม่สุดตรงด้วยไม่แยกส่วนด้วยแล้วเราก็เอาระบบสัมพันธ์เข้ามาใช้มองสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันต้องมองให้ชัดว่าโภคะด้านเศรษฐกิจนี้จะไปสัมพันธ์กับด้านอื่นอย่างไรจึงจะทําให้เกิดการพัฒนาที่นําไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้วอันนั้นก็คิดว่าจะทําให้ประเทศชาติ บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาที่แท้จริงก็ถึงวันะขึ้นปีใหม่แล้วท่านทางรัฐบาลท่านก็บอกคิดใหม่ทําใหม่ก็คิดใหม่ทําใหม่ก็จะต้องคิดใหม่ทําใหม่ที่มันใหม่เสมอด้วยคือใหม่บางอย่างนี่มันใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าทีนี้ใหม่อะไรที่ไม่เก่ามันมีใหม่ชนิดหนึ่งที่ไม่มีวันเก่าคือใหม่ที่มันเป็นความจริงแท้ อยู่ตลอดการอะไรที่เป็นเป็นสัจธรรมเป็นตัวความจริงแล้วเนี่ยมันใหม่ตลอดมันไม่มีเก่าหรือมันเก่ามันก็เก่าตลอดแล้วมันก็ใหม่ตลอดจนกระทั่งความเก่าความใหม่กลายเป็นอันเดียวกันก็เลยเรียกว่าไม่เก่าไม่ใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตกลงว่าคิดใหม่ทำใหม่ก็ขอให้ไปถึงคิดที่มันยืนยงเป็นใหม่ตลอดการคือคิดให้ตรง ให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วอันนั้นก็คือคิดเป็นธรรมก็คือว่าอะไรที่เป็นของใหม่ตลอดเวลาไม่มีเก่าก็คือธรรมะนั่นเองพอคิดได้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแล้วมันก็ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเป็นธรมธรมทำเป็นธรรมแล้วก็เลยคิดทำทำธรรม ก็ขอให้การคิดใหม่ทำใหม่ก็มาตรงบรรจบกับการคิดทำทำทำนำไปสู่จุดหมายของความเจริญผาสุขตลอดการย่างยืนนาสืบไปก็ขออนุโมทนา